บทนี้จะแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปตามที่ได้แสดงกัดมาโดยลาดับนั้นเป็นการแสดงตำหลักของมาสติปัฏฐานในสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เพื่อสอดคล้องกับจริต เดีย อ, อัตยาศัยของบุคคลที่มีความแตกต่างกันปริยายแห่งธรรมนั้นจะมีการจําแนกออกไปโดยนิยามต่างๆแต่วาโดยวัตถุประสงค์แล้วก็เพื่อให้เกิดเป็นความรู้ยิ่งเป็นความรู้ดีเป็นความดับเพลิงกิเลสแด่เพลิงทุกข์ของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติในระดับนั้นๆโดยมีป้าประสงค์สูงสุด อยู่ที่มรรคผล น, ผนิพพานพระธรรมเทศนาจึงมีการแสดงที่ท่านแสดงว่าแสดงธรรมมีพระอาหารหันต์เป็นยอดคือมุ่งตรงไปสู่ผลสูงสุดในทามพระอุตสาสนาแต่ในภาพประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะต้องมีการขัดเกลาจิตใจของบุคคลให้มีความประนีตมากขึ้นโดยลำดับแต่โดยเครื่องไม้เครื่องมือที่แตกต่างกัน ท่นี้เป็นเพราะไรเพรารพื้นจริตอกติยาศัยของบุคคลในโลกนี้มีความแตกต่างกันจริตที่เป็นเหตุให้ต้องจําแนกสติมาสติปฐานออกไปเป็นสประเภทนั้นก็เพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งมีพื้นฐานทางตรรกะจริตที่เป็นไปอย่างแก่กล้าแต่ปัญญาที่เป็นเครื่องปิณิปิจนามีอยู่ไม่บ้างพะก็จะก่อให้เกิดการยึดติด การไขว่คว้าการปรารถนาสิ่งที่เป็นรูปวัตถุซึ่งตนกําหนดว่าหน้าใครน่ะปรารถนาน้าพอใจไม่ได้อยากได้ไม่มีอยากมีไม่เป็นอยากเป็นเมื่อได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วก็จะมีการสยบติดมีความกําหนัดเพลิดเพลินหวงแขนอารักขาป้องกันจึงเหล่านั้นจนถึงกับจิตใจต้องวิตกกังวลเมื่อพระพรากจากสิ่งเหล่านั้นไป ว่ะสิงเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็จะตกเข้าสู่ความสุขซึ่งบางครั้งบางคราวที่มีความรุนแรงสติอาจจะวิปลาสไปก็มีเช่นตัวอย่างนางปตจราเทรีต้องพลัพรากแก่คนอันเป็นที่รักในคืนเดียวถึงหกคนด้วยกันทาให้นางต้องเศร้าโศกเสียใจจนควบคุมสติไว้ไม่อยู่แล้วก็บ้าคลุ้มคลั่งไป แต่ในที่สุดเมื่อเกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงโดยใช้คํคำสอนจากสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความโศกจนถึงบิปรลิตนั่นเองที่พระผู้มีพระภาคย่าทรงยกขึ้นมาแสดงถ้าเกิดเข้าใจในจุดนั้นเข้าใจถึงสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้น บันเทาความเศร้าโศกลงไปได้ปัญญาเกิดขึ้นสามารถขจัดกิเลสออกไปจากใจและในที่สุดก็บรรลุมรคุณไปได้คนพวกที่มีตัณหาจดิตกราปัญญามากๆอย่างนี้จึงต้องแสดงธรรมะในรูปที่ใกล้ตัวเพราะโดยพื้นฐานการที่บุคคลไปควายคว้าราตนาสิ่งทั้งหลายจากข้างนอกนั้น มันมาจากการหลงตัวการหวงตัวการถนอมตัวการรักตัวต้องการจะได้สิ่งเหด่นั้นมาปรนปลื้ตนเองสนองตอบความต้องการของตนเองความคลายความปรารถนาความพอใจจึงสายไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเท่านั้นแต่ในแง่ของการพยายามตอบสนองนี้เองก็ทสงแสดงเห็นว่า บุคคลไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของตนให้เต็มได้เพราะใดเพราะว่าโดยพื้นฐานที่จ่ายจริงๆมันมีความพร่องมีความไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออยู่การที่ซันแสดงไว้ว่าโลกคือหมูสัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุของตันหา ทำอย่างไรจึงจะหยุดจังความคิดให้สามารถครองชีวิตโดยปกติสุขได้ก็ทรงสอนให้มองในส่วนที่เป็นรูปธปรรมซึ่งใกล้ตัวเองเพื่อจะถือเป็นบทเรียนในตอนต้นที่จะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเพาในแง่ของพระพุทธศาสนานั้นแม้จะมีการจับแน่แสดงออกไปโดยประยายกว้างค ว, วางอย่างไรก็ตาม โลกทั้งปวงนั้นที่จริงเราก็เป็นส่วนย่อยของโลกโอกาสสโลกโลกคือแผ่นดินที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศและสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับดินก็เกี่ยวข้องกับดินน้ำลมไฟอากาศเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของดินน้ำลมไฟอากาศเพราะฉะนั้นถ้าสามารถเรียนจากสิ่งที่ใกล้ตัวโดยเฉพาะคือตัวของตัวเองได้แล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ในตนเองลงไปได้การ q u ว้าเพื่อจะสนองตอบความต้องการของตนก็จะถูกปันเทาประปางลงไปเองพรเนื่องแนวของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงไปศึกษาที่ตัวเองเป็นหลักในตอนตอน้ตนๆในชั้นแรกก็สอนให้มองที่ลมหายใจเข้าออกจะเรียกว่าอานาปานสติ คือการตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกคุณธรรมที่จําเป็นจะต้องใช้และใช้ในทุกกรณีของการปฏิบัติธรรมก็คือความเพียรพยายามสติและสัมปชัญญาวิ่เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายในการระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแต่เมื่อศึกษาจากลมหายใจเข้าออกกันเองก็จะเห็นว่า ตั้งกายตนและกายบุคคลอื่นก็ได้รับการปลนปลื้มาจากลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกจังเป็นกายสังขารเป็นสิ่งที่ปลนปลื้หล่อเลี้ยงร่างกายของบุคคลให้ดำรงอยู่ได้ไม่เราจะมีอะไรพิเศษอย่างไรก็ตามถ้าปราศจากลมหายใจเข้าออกแล้วชีวิตมันก็อยู่ไม่ได้แต่ตัวลมหายใจเข้าออกเองก็อเอาอะไรเข้าไม่ได้ เพราะไรเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงแปรแปรวนมีความหยาบมีความกราบมีความละเอียดแล้วก็พร้อมที่จะดับหายไปเพราะในอารมณ์ของอนาปานสติกรรมฐานเวลาจเจริญไปมาถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่าลมหายใจเข้าออกคล้ายๆจะดับไปคือไม่ปรากฏชัดเจนจดบางครั้งบางคราก็อาจจะเกิดตกใจขึ้นมาคิดว่าตัวเองตายแล้วเพราะลมหายใจเข้าออกไม่ปรากฏ แท้จริงแล้วก็เป็นอาการละเอียดของลมซึ่งในชั้นของอาการละเอียดของลมก็เป็นผลจากการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานแต่เมื่อมองเห็นอาการเกิดดับซึ่งปรากฏแม้แก่ลมหายใจข้ อ, อของตนก็เป็นอาการของวิปัสสนาแล้วก็จะเรียนจากลมหายใจเข้าออกนี้เองไปมองที่สรรพสิง่งและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ใจเราไปกำหนดหมายไว้โดยนอาดความกำหนัดรักใคร่พอใจยินดีต้องการคอยความปรารถนาที่จะได้จะมีจะเป็นดังกล่าวก็จะมองเห็นว่าที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ในสภาพเดียวกันคือรับการหล่อเลี้ยงปลนปลื้ไว้ด้วยดนน้ำลมไฟแต่มีลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องรักษาชีวิตของเขาออกไป พร้อมที่จะแตกสลายทาลายไปก็จะทำให้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตในแง่ที่ท่านแสดงถึงความเข้าใจไปว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่เชื่องเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกนี้คือทางแห่งความวิสุทธิ์หรือทางของความบริสุทธิ์ บริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากตัณหาคือความยึดมั่นความไขว้คว้าปรารถนาดิ้นรนทะเยอะยานอยากได้ดังกล่าวเมื่อตัณหามันลดมานักความรู้สึกว่าเป็นเราหรือเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งอาศัยการสมมุติบัญญัติแต่งตั้งกันขึ้นมาเรื่อยๆบัญญาเกิดขึ้นตรวจสอบปีนี้พิจารณาเห็นก็จะเข้าใจว่าแท้ที่จริงความเป็นมันก็เป็นเรื่องสมมุติเอา ไม่มีใครที่จะเป็นอะไรจริงๆพระแท้จริงแล้วสภาพสภาวธรรมของสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏเป็นสัจธรรมเมื่อย่อยลงไปโดยละเอียดแล้วก็กลายเป็นจิตเดตสิกรูปนิพพานดังนั้นนั้นอาการที่มีความขัดเคืองไม่พอใจกระทบกระทงังทางใจจนเกิดเป็นอาฆาตพยาบาทในบุคคลในสัตว์ทั้งหลายก็จะบรรเทาตามไปด้วย มันวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติกรรมฐานที่ต้องการให้สัมผัสในแต่ละขณะของจิตในชีวิตประจาวันของบุคคลจะทรงเน้นว่เหมือนกันทุกแห่งว่าต้องการจะขจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกไปเพราะอะไรเพราะว่าในชีวิตประจาวันของบุคคลนั้น อารมณ์คือสิ่งที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายและนำมาเหนียวนึกหรือจึกนึกอยู่ภายในใจนั้นที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของบุคคลสร้างความแปรผันวความสับสนความกระสันอยากหรือความเร่าร้อนใน้บงังเกิดขึ้นภายในใจได้มากเป็นพิเศษนั้นก็คืออารมณ์ที่มีลักษณะเป็นอภิชา ได้แก่จิตที่เกิดเพ่งเล็งโลภอยากได้ในสิ่งซึ่งใจตนไปกำหนดหมายว่าน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจซึ่งก็คงไม่อื่นไปจากอารมณ์ทั้งหกดังกล่าวนั้นและลองสังเกตว่าประเด็นนี้ผู้เจ้าจะต้องเน้นอย่างนั้นว่าหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจแต่ถ า, ถามว่าหน้าใครหน้าปรารถนาน้าพอใจสับปะไฟก็สับคด น, นั้นแหละ คือคนที่ไปกำหนดอารมณ์เหล่านั้นว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจนั่นแหละจึงจะเกิดเป็นอภิชาขึ้นมาสาหรับเขาเพราะในแง่ของความเป็นจริงที่แท้จริงรูป ก, ก็คือรูปเสียงก็คือเสียงกลิ่นก็คือกลิ่นรสก็คือรสสัมผัสก็คือสัมผัสการจับต้องก็คือการจับต้องและแม้แต่อารมณ์ก็คืออารมณ์ พลาใจไม่กําหนดหมายเริ่อหน้าความกําหนัดมันก็ไม่เกิดความกําหนัดเพราะถ้าเรามองให้ซึ้งลงไปอีกทีหนึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดเราก็เมื่อก่อนเราก็ไม่รู้จักเขาเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาจึงไม่มีตั้งความกําหนัดแด้ความขัดเคืงแต่ความกําหนัดมันเกิดขึ้นเมื่อจิตเราไปกําหนดเอาถ้าจิตไม่กําหนดความกําหนัดก็ไม่เกิดเมื่อความกําหนัดไม่เกิดอภิชามันก็ไม่เกิด ในข้อนี้ได้ส่งแสดงถึงหลักการประพฤติปฏิบัติที่ให้บุคคลสามารถถ่ายถอนจิตเกี่ยวกับอาการเกี่ยวกเกาะหรือการจิตติดในอารมณ์ทั้งหลายยกตัวอย่างว่าให้ทำใจเสมอด้วยแผ่นดินหรือเสมอด้วยธาตุก็ได้ข้อหนึ่งก็ได้แล้วก็ไปอิงอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ตลอด เช่นว่าคนไปนอนอยู่บนเตียงเตียงนั้นก็ไม่มีจิตใจก็ไม่รู้ว่ามีใครนอนอยู่บนต น, นเตียงนั้นวางอยู่บนพื้นพื้นเองก็ไม่มีจิตใจจึงไม่รู้ว่ามีเตียงวางอยู่ข้างบนและพื้นนั้นเองก็วางอยู่บนเสาบนคือ บ, บนบคานอีกทีหนึ่งคานเองก็ไม่รู้ว่ามีพื้นวางอยู่บนตน การก็วางอยู่บนเสาเสาก็ไม่รู้เสาวางอยู่บนดินดินก็ไม่รู้ดินวางอยู่บนน้ําน้ําก็ไม่รู้น้ําถูกลมอุ้มเอาไว้ลมก็ไม่รู้ว่าตนเองมีหน้าที่อุ้มน้ําเอาไว้แล้วเลยลมไปมันก็กลายเป็นอากาศอากาศเองก็ไม่รู้ว่าตนเองได้อุ้มลมเอาไว้ด้วยนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งกระบวนการนี้ไม่มีความกําหนัดความพอใจนอกจากคนที่อยู่บนเตียง คือไปเกิดกำหนัดความพอใจติตใจในการนอนในหากวะในการหาความสะดวกสบายจากการนอนทีนี้ถ้าหากว่าคนคนนั้นเองแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไปในใจของตัวเองจะได้กว่าเตียงมันก็สักแตธวัจเจียงเตียงนี้ก็สักแต่ว่าธาตุเป็นส่วนประกอบของดินน้ำลมควายอากาศลักษณะที่เด่นชัดป ร, กรากฏชัดเจนก็คือลักษณะของที่เป็นธาตุดินคืออาการแข็งแข็งที่ปรากฏอยู่ที่เตียงนั้น ความพอใจความยินดีตลอดถึงความกหนัดเพ่อดเพลินและแม้ไม่มีความพอใจเมื่อคนอื่นมากระทมอันตรายต่อเจียงของตนก็จะไม่เกิดขึ้นอภิชาก็ถูกขจัดไปแต่ไม่ขจัดไปเฉพาะอภิชามันขจัดไปทั้งโทปนัตได้ด้วยโทปนัตนั้น แ, แ, ส แ, ส แ, สแสดงไว้เป็นสองลักษณะลักษณะหนึ่งเป็นความไม่พอใจ ลักษณะหนึ่งก็เป็นความทุกข์ซึ่งเราเห็นว่าความทุกข์กับความไม่พอใจนะั้นก็เกี่ยวเนื่องถึงกันแต่ถ้าเกิดได้ขึ้นมาเขาก็จะมีความพอใจก็กลายเป็นความสุขความเบิกบิ่มของบุคคลเหล่านั้นการกระจัดอภิชาและโทมนัสในแต่ละขณะของอารมณ์นั้นจึงทรงสอนไว้ด้วยวิธีการต่างๆเป็นนั้นมาก ในชั้นธรรมะปฏิบัติก็จะส่งสอนเอาไว้ในยะหนึ่งแต่ในชั้นนี้ธรรมะที่เป็นจุดเน้นคือเป็นเครื่องมือในการใช้เพื่อคุมใจคอนโทเอาไว้แม้เกิดความกหนัดหรือความกัดขือในอารมณ์ก็ได้แก่สติมาคือความมีสติระลึกรู้ทันอารมณ์เหล่านั้นที่วังเกิดขึ้นแม้เป็นอาการต้องการเดี่ยวนึก ก็รู้รู้ทันถึงสิ่งที่ตนจะเนียวนึกกำลังจะเนิวนึกและหลังจากเหนียวนึกไปแล้วรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สามารถจย่น้อยก็บรรเทากระแสของตัณหาที่เกิดขึ้นในอารมณ์เราดนนันลงไปได้ปตินั้นนอกจากจะทําหน้าที่ระลึกแล้วยังทําหน้าที่ปิดกั้นกระแสของกิเลสหรือกระแสของอารมณ์ที่จะไหลมาทุ่มทับจิตใจของบุคคลเอาไว้ สติจึงต้องใช้ในลักษณะระลึกทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออยู่กับปัจจุบันสิ่งที่เห็นก็สักแต่ไปเห็นสิ่งที่ได้ยินก็สักแต่ไปได้ยินนั้นหมายความว่ามองเฉพาะในตัวของอายตนะภายนอกที่มากระทบมีเกี่ยวข้องกับอายตนะภายในของตน แต่บางครั้งก็มองตัวอายตนานั่นเองก็รูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่วา่าเสียงกลิ่นก็สักแต่วา่ากลิ่นเป็นต้นเพื่อจะยุติไมใ่ใจเกิดอาการข่อยคว้าปรารถนาดังกล่าวไว้อภิชาในจุดนั้นก็สงบไปแต่ละจุดในแต่ละกันนีคุณสมบัติเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นพื้นฐานจิตของบุคคลที่ทํากันได้อยู่โดยปกติเพียงแต่ว่า บางอารมณ์เกิดทำไม่ได้แต่นั่นเองเพราะอะไรเพราะมีเสียงเป็นนั้นมากมีรูปเป็นนั้นมากเสียงเป็นนั้นมากกลิ่นเป็นมากรสเป็นมากสัมผัสเป็นนั้นมากและแม้แต่อารมณ์เป็นนั้นมากที่บังเกิดขึ้นภายในใจแต่จะเราไม่ได้กําหนดอะไรไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ให้ความสํ Music, มคาสคาัญแก่สิ่งเหล่านั้นที่ท่านใช้คำว่าไม่มนัตสิกายเมื่อเราไม่มนัตสิกานคือไม่ใส่ใจหรือไม่ทําไว้ในใจหรือไม่สนใจ ประเทศไทเรามากากักใช้คำว่าไม่สนใจคือถ้าเราไม่สนใจสัอย่าง ก, จก็จบสิ่งที่มันเกิดมันก็เกิดด้วยเหตุปจัจจัยของมันแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงแปรแปรวนไปแตกสลายไปด้วยเหตุปจัจจัยของมันเราไม่ได้ดึงสิ่งเหล่านั้นเข้ามาให้มีอิทธิพลต่ดอดใจของเราเราก็อยู่ในสังคมอยู่ในโลกอย่างมีปกติสุขอย่างมีความส ง, งบได้ ในด้านความพิชาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันหรือความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิดนั้นมันก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกันเพราะจึงก็เป็นการแกว่งไปแกว้งมาที่จันทรา่ายินดียินรายอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือเกิดความโศกหรือเกิดความทุกข์นั้นก็อยู่ที่การไปกําหนดหมายอารมณ์เหล่านั้นไว้ในฐานะนั้นบางครั้งสงชากําง่ายๆ ใช่อยู่สองคำว่าอัตตาอัตตนิยาาหรือว่าอังการมำบังการอัตตาก็คือตนอัตตานิยาก็คือเกี่ยวเนื่องโดยตนให้ดอนสังเกตว่าเหตุการณ์ที่รุนแรงจะทุกข์ทรมานสร้างความเสียหายสูญเสียอย่างไรก็ตามถ้าไม่เกี่ยวกับเราเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยแต่ในขณะเดียกันก็ไม่รู้สึกดีใจหรือเจ๊ใจ แต่ถ้าเกิดไปเกี่ยวกับเราเข้าก็อาจจะมีทั้งดีใจทั้งเสียใจเช่นความพิบัติเดือดร้อนซึ่งบังเกิดขึ้นแก่ใครที่ไหนก็ได้ถ้าใจเราไม่เกี่ยวเกาะกับบุคคลผู้นั้นด้วยความรักความสั่งความสศกความเสียใจความทุกข์ใจมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าใจเราเกี่ยวเกาะกับบุคคลนั้นในฐานะเป็นพวกเราเพื่อนเราญาติพี่น้นนองของเราไอตัวโทมนัมันก็กเกิดขึ้น แต่ก็จริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นปรากฏขึ้นอยู่กับจิตเรากำหนดมากกว่าตัวนั้นเป็นตัวกำหนดเพราะในความวิบัติเดือดรอนนั้นเองถ้าเกิดขึ้นแก่คนที่เราไม่ชอบหรือคนที่เป็นสัตรูเราเราก็เกิดความขอใจความดีใจนี่แสดงเห็นได้ว่าผลตั้งหลายนั้นเกิดขึ้นจากจิตใจของบุคคลไปปรุงคิดไปคิดปรุงก็เองบางครังก็ทงแสดงเห็นว่า ตามต้องปวงนั้นรวมลงที่จิตเพียงดวงเดียวเท่านั้นเองขณะต่างๆนั้นจะเป็นไปได้ในเวลารวดเร็วเพราะันการจะบรรเทาความกำหนัดและความกระคือในอารมณ์นอกจากจะต้องมีสติเป็นตัวระลึกแล้วจะต้องมีสัมปชัญญะคือความรู้เท่าทันถึงความจริงที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นนั้น ซึงส่งต่อกยามมาไว้ในที่ต่างๆไปนั่นมากว่าหเห็นไปจักชัดในแต่ละขณะเพราะอย่าลืมว่ากระแสของอารมณ์ก็ดีกระแสธรรมะ ก, ก็ดีกระแกรสแกิเลสก็ดีนั้นที่จริงแล้วมันมีการไหลไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเพราะถ้ามีการลึกรู้ทันอยู่ทุกขณะสิ่งเหล่านั้นอาจจะไหลไปก็ไหลไปตามธรรมดาของเขา แต่จะไม่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของเราดังนั้นเพื่อเปิดเกิดผลในทางเราเพฤ่อปฏิบัติที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างสูงสุดซึ่งกล่าวไว้ในตอนตอน้นจําเป็นจะต้องมีความเพียรพยายามและความเพียรพยายามนั้นจะทรงใช้ไว้ไม่เหมือนกันความเพียรในทางจิต ระดับกรรมฐานจะเน้นไปที่อัตตาปีหรือวีริยะหรือวายามะอัตตาปีแปลว่าความเพียรที่สามารถแผดเผากิเลสได้ ร, ร้อนรนไดอุปมาเหมือนกับไฟที่เผาลนสิ่งซึ่งตัวเองต้องการจะทำลายให้เปาไหม้มอดไปแต่ว่าไฟนั้นบางครั้งจึงอุปมาเป็นไฟคือยาน ซึ่งจะทำหน้าที่สองอย่างให้เราสังเกตว่าไฟนั้นทำหน้าที่สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือพอาผลานอย่างหนึ่งก็คือการให้แสงสว่างยานที่บังเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเมื่อเขเกิดขึ้นแล้วเขาจะเผาผลานสิ่งที่ทรงกันข้ามกับตนทํานองกั้แค่ก็เบิดสวิตไฟแล้วจะความมืดจะถูกเผาผลานไปเกิดทำลายไป แล้วก็ให้แสงสว่างเปิดขึ้นในจุดนั้นๆในจุดที่ตนเองได้เผาผลานออกไปนั่นเองพ้นธรรมะปฏิบัติในทางพุทธศาสนาจึงต้องอาศัยความเพี่ยนพยายามเป็นพลังในการขับเคลื่อนในที่นี้ทรงใชก้กมาตากีโดยความเพียนที่เผากิเลสได้ร้อนเพราะในขณะเผานั้นเองก็มีแสงสว่าง บางเกิดขึ้นไปจากแก้งชัดเจนแต่นั้นเวลาแสดงถึงขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติที่สรุปรวมเป็นใจสิกานั้นเราเห็นว่าธรรมะทั้งสาประการนั้นจะอิงอาศัยซึ่งกันและกันศีลที่บุคคลอบรมกระทาให้มากแล้วจะทำทำจะทําสมาธิให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นสมาธิที่บุคคลอบรมกระทาให้มากแล้วจะพัฒนาปัญญาให้สูงขึ้น ปัญญาที่อุปคลอบรมก็ทําให้มากแล้วจะทําให้ศีลและสมาธิมีความถึงพร้อมมีความสมบูรณ์มากที่สุดเพร่นธรรมาทั้ง3ประการจึงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนกันแล้วก็ไม่อาจจะแยกออกไปได้โดยเด็ดขาดการแสดงจึงแสดงเฉพาะอาการที่เด่นแต่นั้นเองไม่แสดงอาการที่ละเอียดพอเมื่อกล่าวโดยในชั้นละเอียดแล้วศีล ส, สมาธิปัญญาก็เป็นอย่างเดียวกัน เพียงแต่ว่ามีความเข้มข er ้นแตกต่างกันผลของศีลผลของสมาธิผลของปัญญาจึงสามารถขจัดกิเลสได้ไม่เท่าเทียมกันแต่ถามว่าขจัดกิเลสประเภทไหนก็ขจัดกิเลสประเภทเดียวกันเพียงแต่ว่ากำลังของศีลก็ขจัดได้ระดับหนึ่งระดับของสมาธิก็ขจัดได้อีกระดับหนึ่งระดับปัญญาก็เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งจนถึงความสมบูรณ์เต็มที่ เพระสติสัมปชัญญะความเพียรในทางประพฤติปฏิบัติคือต้องใช้อยู่ในชีวิตประจำวันรึกรู้ทันอารมณ์เหล่านั้นอาจจะดูที่ลมหายใจเข้าออกหรืออะไรก็ตามตัวอย่างที่ยกมานั่นก็คือลมหายใจเขอาซึ่งบางครั้งบางคราวถ้าดูในรูปของการพินิพจรณาแล้วโดไม่จำเป็นจะต้องไปอิงอาศัยรูปแบบอะไร เพียงแต่ว่าในการใดในโอกาสใดจังหวะใดที่จะสามารถดูลมหายใจเข้าออกแล้วยกขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการพินจนารณาได้ผู้ที่เป็นวินญูชนก็พร้อมที่จะฉกโวยโอกาสนั้นใช้สติสัมปชัญญะระลึกรู้ที่ลมหายใจเข้าออกแล้วก็เพียรพยายามที่จะเพ่งพินิจเพื่อมองเห็นว่า ในแง่ของความเป็นจริงแล้วตัวลมหายใจเข้าออกนั้นเขาก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนทั้งช่วงขึ้นทั้งช่วงที่ดําเนินไปและถึงจุดหนึ่งก็ดับสลายไปแต่เป็นเตปัจจัยที่เกิดทยอยกันมาเป็นลูกคลื่นต่อเนื่องกันไปก็ทําให้ชีวิตดํารงชีวิตเราเรามองในกระบวนการของสิ่งเรากระบวนการของกิเลส กระบวนการของธรรมะซึ่งเคยเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเป็นปกติอยู่แล้วก็มองเห็นว่าเขาเกิดได้เขาก็ดับได้ดังนั้นกิเลสที่ถาวรจริงๆเช่นว่าความโกรธซึ่เกิดขึ้นระดับเดียวไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยตลอดระยะเวลาเป็นชั่วโมงหรือว่าหลายๆนาทีมันไม่มีทางเป็นไปได้ เพียงแต่ว่าเขาจะเพิ่มขึ้นเขาจะลดลงหรืออยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่เคยเกิดขึนในอนแรกแต่แม้แต่อยู่ในระดับเดียวกันแต่จริงแล้วก็เป็นอาการของความเปลี่ยนแปลงซึ่งบังเกิดขึ้นในตัวมันเองกระแสของกุศลธรรมมันก็ตกอยู่ในลักษณะอย่างนั้น เพืก่กว่าจะพัฒนาเมตตาของบุคคลให้อยู่ในระดับที่เรียกว่าเมตตาวิหา ร, รีคือจิตอยู่ด้วยเมตตาตลอดนี่นั้นเป็นไปได้ยากอาจจะขึ้นมันอาจจะสุดลงมน จ, จะหายไปเลยก็ได้แล้วก็ต้อมาตัวอื่นก็เกิดขึ้นมาแทนนั้นสิ่งทั้งหลายนั้นจึงเป็นอาการของเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนสืบทอดกันไปอย่างไม่ขาดสาย แต่ทำไมต้องจำแนกแสดงออกไปมากก็เพราะว่าพื้นจะดิบอัตยาัยของคนวาสนามบารมีที่บุคคลแต่ละคนได้สร้างสมเอาไว้ไม่เหมือนกันผลตัวอารมณ์ที่ส่งสอนให้กำหนดนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันแต่ผลที่เกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัตินั้นจะเหมือนกันเมืนเวลาแสดงถึงผลจึงไม่ ไม่วิจิตพิสดารผลอะไรผลมันก็เป็นอย่างนั้นเช่นความสุขความสงบก็จะกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างความสุขกับความสงบสุขก็สงบสงบก็สุขแต่ตัวเหตุนั้นจะ ก, กระจายแต่กระจายมาเข้ารวมอยู่ที่ศูนย์คือความสุขความสงบอันเป็นผลสุดท้ายนิพพานก็เป็นเหตุได้เกิดความสุขความสงบ มันแม้เวลาอธิบายนผ่านผมสังเกตว่าจะอธิบายในรูปของสุขสงบไม่สุขก็สงบไป ส, สงบก็สุขเพราะไรเพราะสุขก็สงบนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลสามารถสัมผัสได้อยู่แล้วในระดับหนึ่งเมื่อบุคคลสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ตามขั้นตอนคือจะเริ่มจากจุดใดก็ตามเมื่อผลประสานสอดคลองกับหลักที่ทรงแสดงไว้ ชือว่าเป็นการปฏิบัติถูกตรงมีความควนควายอุตสาหพยายามต่อไปก็จะสัมผัสสิ่งที่มีความสุขความสงบประนีจึงขึ้นโดยลำดับตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจต่อความสงบสุบต่อไป